พอรู้กันว่าท่านสิ้นลมความทุกข์ร ม, มก็ยิ่งเพิ่มบู ความติดตันศกสันอาดูนโอมพระดังโดยไม่วางเว้นขขาวรุมสุ่มสวงพระเนนเหมือนใจจะขาดระเด็นดินดาบลาบชีวิตมือมนอนท ก, การน้ำตาพลันไหลปรีอัดอันไหนหรดี ทีวีแทบแปลกสลายคืนวันมหาวิปโยคโศก า, ายจิตใจว่าวุน่นุณเป็นต้มโกลาหลอลมา ทุกท่านมองตรงบางเป็นลมลม ล, ลงสลบสลายดังขาดดินสิ้นใจด้วยแสนอะไรจนเหลือขนายามช้า งบที่ไร่หยดน้ำตาหลั่งย้อยฟูมฝ้ายผู้พร่รางปรายหลายหยดทุกคราให้สาวซึมสวงแสงทรมาราจะแตกลันตื่นตันเวว า, าดูลดังชีพสลายขาดหายมาลายเป็นจูน ประดังไปทางราตรีดังดวงประทีพสว่างสวัยเจอจ่าแจ่มใส ประดับดวงใจดับรูปลับไปแล้วไม่คืนวนมาเย็นอย่ายือกในราโอราวกับว่าถูกเขาวางยาสลบไม่ฟื้นทั้งคืน วงหุ่นแสนทารุณเหลือดีเมือนโลกกระทาขาดลงเป็นผงทุลีสติสตังไม่มีให้พอได้พออาศัยอำนาจของความเสียใจไม่มีสิ่งไหนเทียมทัน เก็บสะสื่อหัดทันแสนมจะบานเศร้าสอยให้พลอยแต่ครางครวนว่าจะคิดทบทวนในธรรมที่ท่านสอนไว้ลดลงลดลงมาได้ คืนนั้นกว่าจะคมใจและมีสติได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่จึงพอผ่อนคลายได้บ้างส่วนศพของท่านนั้นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างเห็นต้องการว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้นต้นปีพศ .2493 ค่อยถวายชาปนะกิจศพท่านระหว่างก่อนจะถึงวันงานอีกสามเดือน พระเนนและประชาชนต่างทยอยมาคารบบูชาศพท่านไม่ขาดสายพอจวนวันงานจะมาถึงยิ่งล้นไหลกันมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้และไกลงานนี้ไม่มีมหโหระพใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นงานกรรมฐานล้ว น, วนงานนี้มีกำหนดสามคืนกับ4วันซึ่งเริ่มตั้งแต่ขึ้น10ค่ำเดือนสามไปจนถึงขึ้น13ค่ำเดือนสเครื่องทยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาสมโพธโมทนาช่วยเหลือในงานนี้ กองขนาดเท่าภูเขาย่อยๆเรานี่เองวันขึ้น11อค่ำเดือนสามบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้พร้อมกันทำวัดขอเข้ามาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้อรัตนาศบท่านไปสู่เมนคราวนี้บรรดาศิษย์ฝ่ายคารวาสหญิงชายอดใจไว้ไม่ไหวคลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่างก็ปล่อยให้พรั่งพลูออกมาด้วยความอะไรเสียดายอย่างใหญ่หลวง เหมือนเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นครั้งสุดท้ายแด่ท่านพระอาจารย์ผู้ได้ทําลายกองก ร, รมของวัตจักรเสียสิ้นแล้วเป็นผู้ทรงมหาคุณบุญหนักสักยิ่งผู้สิ้นกิเลสวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่แสนหายากยิ่งในสมัยแห่งปัจจุบันนานแสนนานจะได้พบได้เห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองคหนึ่งแล้ววันถวายชาปนกิจศพของท่านก็มาถึงคือวันขึ้น13ค่ําเดือนสามเวลาประมาณหกทุ่ม ผู้คนในคืนนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดจนจะหาทางเดินไม่ได้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริงๆขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆ้ย อ, มอยผ่านเหนือเมรนและโปรยละอองฝนมาเพียงบางๆและแผ่วเบาพร้อมๆกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ15นาทีเมฆก้อนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในถ้ำกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้น จึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดเดาได้เมื่องานถวายเพลิงท่านผ่านไปแล้วอัฐีของท่านมีการแจกไปกว่ายี่สิบกว่าจังหวัดและในเวลาต่อมาอัฐีของท่านพระอาจารย์มั่นได้กลายเป็นพระธาตุแม้แต่เส้นเกศาของท่านที่ปลงออกซึ่งมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็ได้กลายเป็นพระธาตุเช่นเดียวกัน